กระท่านฟังคะ่ะและสําหรับตอนนี้เชิญพบกับพระอาจารย์ไพบูลอภิปุโนโจากวัดป่าดอนหายโศกช่วงถามโลกตอบธรรมนะคะน้อมสักการค่ะท่านคะ่ะค่ะเจริญพรค่ะท่านอาจารย์คะได้ได้ฟังเรื่องขอ ง, <c oughs> งสิวลค่ะ <c oughs> จริงๆเราต้องบอกว่าบุคคลที่มีอายุสี่สขึ้นไปเนี่ยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ค่ะมีผ่านการผ่านโลกมาเยอะเพราะฉะนั้นความรู้ความคิดอะไรของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมาใช้เป็นประโยชน์ในในสังคมได้ ไม่ใช่เป็นผู้มีอายุมากหรืออะไรหรอกมีประสบการณ์มากนะฮะสช่ถูกค่ะเพราะฉะนั้นอถ้าเราบอกว่ามีกับดักของความคิดเนี่ยมันมันก็แน่นอนะ่ะเพราะว่าความคิดเนี่ยเ ป, เป็นสิ่งที่จะเป็นอันตรายก็ได้จะเป็นเพื่อนก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้เนี่ยมันมีอยู่สองแบบคือความคิดทางการความคิดทางพยาบาทความคิดทางเบียดเบียนเนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีควรรักิริงไหมจะค่ะ ไม่ว่าจะคิดวนจะคิดหมกมุน่นหรือจะคิดอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าไม่คิดในทางพยาบาทไม่คิดในทางการไม่คิดในทางเบียดเบียนนะเป็นอันใช้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างเราอาจจะเคยเห็นหรื อ, อยังไงสมัยพุทธกาลก็มีพระอารหันต์ที่สำเร็จอรหันต์แล้วเนี่ยก็ไม่มายุ่งกับใครเป็นผู้ที่หลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวยินดีในเสนาสนะอันส ง, งนัดใช้สอยผ้าผ้าที่ ไม่มีชายผ้าเปื้อนฝุ่นธรรมดาออย่างนี้ก็มีไม่อยากชุ่งกับใครก็คือไม่ต้องมาวุ่นวายกับใครเป็นถ้าจะบอกว่าบุคคลคนนี้ไม่มีเป้าหมายในชีวิตไหมค่ะแต่ว่าเขาไม่มีความคิดทางการไม่มีความคิดทางบใบบาทไม่มีความคิดทางเบียดเบียนไม่น่นใช่ได้ค่ะแล้วก็อถ้าจะพูดถึงเรื่องของความคิดเป็นระบบที่จะทําให้เราออกจากปัญหาได้เนี่ยนะไอ้เรื่องของความคิดเป็นระบบที่จะทําให้เราออกจากปัญหาได้เนี่ยก็คือ เราต้องคิดในระบบของมัคคียงแปดก็คือว่าถ้าเราอยู่ในปัญหาเนี่ยเอาเห็นปัญหาอีกต่อหน้าแล้วเนี่ยวิธีแก้ปัญหาที่พระเจ้าบัญญัติไว้เนี่ยก็คือทางออกของปัญหาก็คือมัคแปดนั่นเองค่ะประเด็นในเรื่องความคิดเป็นตัวเป็นตนความคิดที่เขาเรียกว่าไม่สันโดษความคิดที่แปรกศาสน า, าความคิดเบียนเบียนคนอื่นเนี่ยก็อย่าไปคิดมาค่ะคือคิดได้มันต้องมีอยู่ แต่พยายามคิดในสิ่งที่ควรคิดใช่ไหมคะคือคิดเรื่องไม่พยาบามเรื่องไม่เบียดเบียนแล้วก็เรื่องที่ไม่ใช่การ <c oughs> เรื่องไม่ใช่หะไรนะคะท่านเรื่องที่ไม่ใช่การอ๋อค่ะไม่ใช่การไม่ใช่พยาบามไม่ใช่เบียดเบียนค่ะเป็นนั้นว่าใช้ได้ <c oughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่าบุคคลที่มีอายุมากนี่ใช่ไหมอายุมากขึ้นเนี่ยก็จะมีความแก่ปรากฏตามร่างกายบ้างระบบสมอง n e วโรนคอนเนคชั่นอะไรต่างๆอาจจะติดขัดบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดเรื่องที่ดีๆเนี่ย คือเรื่องของการหลีกออกจากกามเรื่องความเกี่ยวกับความเมตตาเรื่องความเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยมันจะทําให้อ่าจิตของเราดีขึ้นมาเพราะจิตของเราเป็นบวกเนี่ยมันจะมีทางการแพทย์เนี่ยเขาเขาาเห็นว่าอาจจะมีมฮอร์โมนอะไรต่างๆที่หลั่งออกมาเพื่อช่วยบํารุงร่างกายของเราขึ้นมาได้ท่าอาจารย์คะอย่างเรื่องสมมุตินะคะคิดไม่มีเป้าหมายข้อแรกที่ว่ายอย่างเงี้ย<ต>ถ้าถ้าเปลี่ยนมาเป็นคิด แบบทางให้ถูกต้องคลองของธรรมหมายถึงว่าคลองของพุทธธรรมมันก็เปลี่ยนมาคิดในเรื่องที่เรื่องอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นอยู่ในกรอบอันนี้เหรอคะก็คือไม่ไม่ใช่เรื่องการไม่ใช่เรื่องพยาบาทไม่ใช่เรื่องเปลี่ยนเปี่ยนคือสมาสังกัปปะดำริชอบเพราะฉะนั้นถามว่าคิดไม่มีเป้าหมายคิดไปเรือยเปื่อยเพื่อฝันนี่ก็คือว่าคิดเพอเจอรหรือเปล่า ถ้าคิดพื่อเจ้าก็ก็ไม่ควรเอ่อเป็นความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเป็นสิ่งที่ควรละอย่างสมมุติบุคคลคนหนึ่งเนี่ยไม่มีเป้าหมายในชีวิตอะไรเป้าหมายในชีวิตของฉันก็แค่ว่าจิตนิ่งๆอยู่โอ้โหอันนั้นน่าดีมากแล้วอืมเพราะว่าเป้าหมายในชีวิตของเขาเนี่ยคือความปรารถนาน้อยเป้าหมายในชีวิตของเขาคือความสันโดษถ้าเขาปรารถนาอย่างนั้นเขาได้อย่างนั้นเป็นผู้อยู่ในวิหารธรรมันสงบแล้วก็ค<อ>วรไปยกย่องมามแทนที่จะ คิดแบบที่ไม่ถูกต้องสมมุติว่าถ้าเรามาคิดอยู่กับลมหายใจอย่างนี้อย่างนั้นหรือเปล่าคะที่อยู่ในลมหายใจก็เป็นสิ่งที่ถูกมีกายเป็นมีกายเป็นฐานแต่ถ้าเราจะคิดว่าปีนี้ฉันต้องทําให้ได้10ล้านแล้วปีหน้าเอาอีกสักห้ล้านอย่างนี้นะถ้เป็นความคิดทางกล า, ามค่ะและที่พูดถึงในส่วนที่ขเข บ, บ, บอกว่าคิดเป็นระบบถ้าอาจารย์บอกว่าคิดเป็นระบบคือคิดมักมีองค์8นั่นเอ ง, งอยากจะให้ท่าจะลงรายละเอียดนะคะ ก็คือระบบของม <Okay. S 1> ัสมีองแปดค่ะพระเจ้าบัญญัติเรื่องอริยสัจสี่เนี่ยเรามาเข้าใจของความเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นเหตุเป็นผลของพระเจา้าอย่างนี้นะว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาที่เราอยู่ตรงหน้าเนี่ยเราจะแก้ตัวเราต้องแก้ที่เหตุแต่การที่จะดับเหตุ ข, ของมันจริงๆเนี่ยมันดับที่เหตุไม่ได้มันต้องมีวิธีที่จะทําสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นแล้วไปดับเหตุอย่างเช่นเราบอกว่าพ่าตื่นสายไปทํางานไม่ทันค่ะ <Okay. S 1> เอาว่าตื่นสายไ ป, ไปทํางานไม่ทันถูกด่านเนี่ยเป็นความทุกข์เห็นอยู่ตรงหน้าละ ปัญหาต้นเหตุของตรงนี้คืออะไร อ, อ๋มันขี้เกียจถามว่าเราจะดับตัวขี้เกียจเนี่ยมันดับไม่ได้เราต้องไปดับดับอการตื่นให้เร็วเนี่ยเราจะอยู่ๆมันตื่นเช้าเนี่ยมันมันทำยากเราจะต้องไปดับที่เหตุของมันคือความขี้เกียจใช่ไหมถามว่าคุณจะดับความขี้เกียจได้เนี่ยคุณจะต้องมีระบบการทํางานแบบหนึ่งที่ทําให้ความขี้เกียจมันดับลงไปเช่นเดียวกันเจอทุกข์อยู่ตรงหน้าทุกข์นี้เกิดจากอะไรตัณหาไง ปัญหาความอยากความเตยติออยา่างแล้วจะดับปัญหาทําไงนี่ไงทําตามมาร์กแปดเพราะฉะนั้นทําตามมาร์กแปดไม่ต้องหวังตัญหาจะดับตัญหาดับแล้วความทุกข์ก็น้อยลงอืมเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถามว่าความคิดเป็นระบบที่ทําให้หลุดออกจากกำดักของมารเป็นผู้ที่มารและเสนามารมองไม่เห็นหลุดออกจําบวงของมารได้เนี่ยก็คือต้องทำกรรมระบบของมาร์กมีองศาหนึ่งก่อนเลยต้องมีสมาธิค อาการให้ทานมีผลพ่อแม่มีเทวดามีนะชื่อในการทาบุญให้ทานรักษาศีลอย่างนี้เป็นสมาธิค่ะคือคิดที่ถูกต้องใช่ความคิดที่ถูกต้องแล้วก็ระบบข้อที่สองของระบบการความคิดที่ถูกต้องก็คื อ, อความรับริชอบก็คือไม่คิดเรื่องภัอาการไม่คิดเรื่องพยาบาไม่คิดเรื่องเบียดเบียนถูกไหมค่ะ แล้วข้อที่สามก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะแล้วก็สัมมาอาชีวะรวมกันไปก็คือมีพูดวาจาดีเป็นวาจาไพเราะอย่างนี้เป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะก็คือศีลข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้าหเป็นข้อที่สี่เอาไว้สัมมาอาชีวะก็คือการที่ทำดิชีปชอบไม่เบียดเบียนใครค่ะแล้วก็พระพาทธายัางพูดถึงสัมมาวิมาราามคือความเพียรชอบระบบของความเพียรที่พระพุทธาพูดถึงเนี่ย ก็คือเพียงที่จะเอาสิ่งที่ไม่ไดีออกจากจิตซะเอาสิ่งที่ดีเข้ามาในจิตนี่นี่คือความเปลี่ยนทางจิตที่พระเจ้าพูดถึงในเรื่องของความเปลี่ยนชอบแล้วก็ระบบในระบบนี้ยังมีอีกข้อหนึ่งก็คือว่าการมีสติที่ถูกต้องคือมีสติอยู่ในกายอย่างนี้จะเป็นข้อหนึ่ง <c oughs> แล้วข้อสุดท้ายก็คือความมีการตั้งใจมั่นชอบหรือว่าสัมมาสมาธิ คือจิตเราเนี่ยต้องแน่วแน่ระดับหนึ่งพอที่จะให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยทั้งเจ็ดอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อเพราะฉะนั้นถ้าจิตเราเป็นอย่างนี้เนี่ยอ่าอยู่ในระบบนี้แล้วเนี่ยปัญห า, าต่างๆก็คือจะไม่เป็นเขาเรียกว่าตกอยู่ในกับดักของมารได้เศนามารเป็นผู้ที่มารได้เศนามารมองไม่เห็นก็เท่ากับว่าก่อนอายุสี่สิบหรือระหว่างอายุสี่สิบวกเนี่ยให้รีบเข้าใจแล้วก็นําออกมาปฏิบัติเสียสําหรับ มักมีองอย่างนั้นว่ายี่หสิบก็ทำได้ค่ะยี่หก็ทำได้คือเหมือนกับว่าเรียนรู้ไว้ก่อนใช้ได้ทุกวัยจริงๆแล้วใช้ได้หมดเลยเพียงแต่ว่าถ้าอาจารย์บอกว่าในเมื่อถามเกี่ยวกับเรื่องสี่สิบบวกก็พูดเฉพาะให้ตรงคำตอบเท่านั้นเอง <c oughs> แต่จริงๆแล้วคำตอบนี้เป็นคำตอบที่กว้างใช้ได้ทุกผู้ทุกนาม <c oughs> ดเด็กๆก็ใช้ได้ใช่ไคะ <c oughs> ดเด็กๆก็ใช้ได้ <c oughs> าอาจารย์คะมีคาถามอยู่ พอดีเหลือไปเห็นหนังสือคู่มือของโซดาบันซึ่งตอนนี้จริงๆท่าอาจารย์คึกฤทธิ์ก็บอกมีที่จะมาให้แจกเพิ่มอีกแล้วสําหรับคู่มือกับคุณสมบัติพระโสดาบันเนี่ยที่เราเคยแจกไปตอนต้นๆรายการนะคะสมัยที่พระอาจารย์คึกฤทธิ์ยังมาตอบคาถามในช่วงถามโลกตอบธรรมเนี่ยก็บอกว่าคุณสมบัติพระโสดาบันถ้าใครอยากเป็นเนี่ยมันจริงๆมันไม่ยากก็คือให้ปฏิบัติอยู่ในศีลศีลห้าบวกกับอายุตั่น ในพระาระาตนัดตราใช่ไหมคะใช่ทีนี้บางคนนี่ก็บอกเออก็ง่ายดีก็ทํานะทําให้ชใช้ชีวิตสะดวกเดยเหมือนคนปกติได้ oh. อดูไม่ยากคือพอคิดอย่างนี้ก็ดูเหมือนกับว่าเขาก็ทํากันไปเดินหน้ากันไปแต่ในขณะคนอีกประเภทหนึ่งก็อาจจะบอกว่าโอม้มันทํายากศีลขอ้น อ, นขอนุ่นก็ยากศีลข้อนี้ก็ยากอย่างไรก็ตามก็มีคนที่พยายามทําและสมมุตินะคะเกิดถือศีลห้ายอยู่เนี่ยวันหนึ่งไปงานปาร์ตี้ ต้องไปเป็นประธานเขาก็ต้องมีชนแก้วบางเอิ้นเราก็ลืมนึกถึงเรื่องนี้อพอไปขึ้นเวทีปุ๊บเขาส่งแชมเปญมาให้เราก็นึกในใจตรงนั้นะขอออกสินแป๊บนึงจีบแป๊บนีน้ได้ไหัหยคบท่านพระฤาษีเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลผู้ฉลาดมากอะมาเนี่ย่องย่องฤาษีเจ้มากเลยฉลาดจริงๆเวลาพาษีเจาจะมาจัดอะไรนี่นะครบสวนกระบนวนกา ในหนังสือโสดาบันเนี่ยเราจะต้องเพิ่มเรื่องนี้เข้าไปคือมีอีกในยะหนึ่งที่วุฒิชาพูดถึงคุณสมบัติของโซดาบันว่ามีศีลแค่สี่ข้อแล้วก็ความยึดมั่นไม่หวั่นไหวใน พ, พระพุทธาสประสงค์ใช่ไหมแล้วก็แทนที่จะเป็นศีลห้าเนี่ยพวกตัดถึงศีลสีข้อคือไม่มีข้อดื่มจุราเมรัยอ๋อจริงรึเปล่คะแต่เดี๋ยวก่อนอันี้ไม่จบแค่นั้นแต่ว่ามีอีกสามอย่างเพิ่มขึ้นมาคคือเป็นผู้ที่ไม่พูดบาจาเพอเจอร์ ไม่พูดคําหยาบไม่พูดยุยงให้แตกกันเพราะฉะนั้นจากมุมเนี้พระพุทธเจ้าพูดถึงสีลสี่บวกสามถูกไหมก็คือสี่ข้อแล้วไม่ไม่ไม่ฆ่าศาสตร์ไม่ลักทรัพย์ไม่รบุฟฟิดในการแล้วก็ไม่กล่าวเท็จใช่ไหมแล้วก็ไม่พูดคําหยาบไม่พูดยุยงให้ให้แตกกันแล้วก็ไม่พูดเพ้อเจอเพระเมาะนักธรรมมองว่าเวลาเราดื่มเหล้าเนี่ยดื่มสุราเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คํานี้นะบอกว่า ละเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะฉะนั้นพอดื่มเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เกิดวาจาเปื่อเจอร์ทําให้เกิดการพูดคำหยาบทําให้เกิดการพูดยุยงให้แตกกันแล้วอีกนัยยะหนึ่งที่พรุทธเจ้าตรัสไว้ในเรื่องของอมงคลสามข<อ>ีประการว่าสํารวมในการดื่มน้ําเมาค่ะเพราะฉะนั้นถ้ายัางพระสงฆ์เองเนี่ะถ้าป่วยนะพุทธเจ้าก็ยังอนุญาตให้ดื่มซุราได้ถ้าป่วยแล้วการดื่มสุราหรือว่า ยาที่มันมีส่วนผสมของพวกแอลกอฮอล์เนี่ยก็อนุญาตให้ใช้ได้ค่ ะ, ะกันก็เท่ากับว่าถ้าสังเคราะห์ตามคำพูดถ้าวิเคราะห์ตามคำพูดของพระพุทธองค์หรือพูะุทธวจะนะว่าละเว้นแห่งการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่คือรายละเอียดของสีลข้อห้าหากจาเป็นต้องดื่มโดยไม่ได้ไม่ได้ดื่มเพื่อความประมาทแต่ดื่มเพื่อความจาเป็นในสังคม แล้วโดยตั้งหลักไม่ทันอย่างนี้ไม่ผิดถูกไหมคะก็ถือว่าไม่ประมาทค่ะทีนี้เกิดตั้งหลักทันก็เป็นศีลที่เรียกว่าพระอริยเจ้าไม่สรรพระเป็นศีลที่พระอริยเจ้าสันเสริญเป็นไปเพื่อสมาธิไม่ถูกตัญหาในที่ดีครอบงำคิดดูนะบุคคลคนหนึ่งโหยึดมั่นในความศีลก็ฮามากไม่ดื่มจนกระทั่งเรียว่าต้องทะเลาะกับคนอื่นเขาจะให้ดื่มเราจะไม่ดื่มเขาจะให้ดื่มเราจะไม่ดื่มจนเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมันก็มีถามว่าคนที่ถือศีลแบบเนี้ย เป็นไปทั้งด้วยทิฏฐิว่าศีลของฉันเท่านั้นต้องเป็นหลักต้องอันดับหนึ่งอ อ, อิดเดียวไม่ได้อันนี้มันก็ตึงเกินไปนะอ๋อค่ะกลับกับอีกอันนึงค่ะเปรียบเทียบกันคิดต่อสมมุติว่า อ, อไม่ได้เป็นกรณีบังเอิญละ่ะว่าเรารู้เท่าไม่ถึงการแต่ว่าเจตนาเลยว่าไหนไหนไปงานแล้วขอสักสองจิบไหนไหนมันก็เป็น อ่วายราคาดีเอ้ยวายราคาแพงอะไรอย่างเงี้ยอยากจะรู้เป็นประสบการณ์ขอออกจากสีนิดหนึ่งจิบหน่อยหนึ่งแต่ว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมก็คือยังมีจิตปรารถนากวามอย่างไงมีจิตปรารถนาความสุขที่เกิดจากลิ้นสัมผัสรดนแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะไม่ได้ดื่มนานอสักนิดหนึ่งในปรารถนากวามต้องปฏิบัติต่อไปอีกเข้มแข็งใช่ไหมคะอย่าแพ้ต่อกาม ด, ดังนั้นเนี่ยก็จึงมาถึงจุดที่บอกว่าบางคนอาจจะงงเพราะว่าเพิ่งมาฟังไม่รู้เรื่องพระโสดาบันเหมือนกัน<ะ>ทำไมจะต้องปฏิบัติเพื่อความเป็นโสดาบานันโสดาบันเนี่ยเป็นอริยบุคคลขั้นแรกที่พระเจ้าบัญญัติขึ้นเพื่ อ, อะระ บ, บุถึงผลของการอยู่ในธรรมะวินัยนี้เนี่ยทไปทำไมถือศีลทำไปทาไมนสมาธิเนี่ย เออทำไมทำไมเจริญมิปัจนาเนี่ยเอา้ามันมีผลอยู่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้สี่อย่างสี่ผลนี้ ค, คือโสดาบันสักร า, าคารมีผลอนานคารมีผลแล้วก็อาราสผลถามว่าโสดาบันนี่คืออะไรก่อนใช่ไหมก็คือว่าบุคคลที่มีเป็นเป็นโสดาบันเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างนี้ก็คือว่ามาเกิดอีกแค่เจ็ดชาติเป็นอย่างมากเป็นผู้ที่พ้นจากนรกกําเนิดเดราาัจฉานเปรตวิสัยเป็นผู้พ้นจากอบายไม่มีชาติที่แปด สำหรับโสดาบันเป็นผู้พร้อมที่จะปริพัาิในเบื้องหน้าค่ะเพราะฉะนั้นท่านฟังก็อาจจะเข้าใจแล้วนะคะว่าทำไมจึงต้องเป็นโสดาบันคงได้เท่านี้จริงๆนะคะเดี๋ยวเอาไวเ้เรื่องอื่นเอาไว้คุยวันอื่นแล้วกันนะคะอันนี้ก็น้อมักการขอบพระคุณท่านอาจารย์ไว้ในโอกาสนี้คะ่ ะ, ะคอาจานมฟ